สวัสดีค่ะพี่น้องรอบบ่ายค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะทุกๆ ท, ท่านมองลองไปแล้วทุกท่านยังมีสีหน้าท่าทางสดชื่นอยู่นะคะเพราะเป็นเรื่องหน้าชินชุมยินดีที่กรุงเทพมหานครมีอากาศที่เย็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแม้จะเป็นช่วงสั้นๆ น, นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แล้ะฉันรู้สึกว่าไม่ถนัดต้องจับใหม่นะคะ ของชินจากการเป็นคนนำนำมัสการนะคะแล้วก็วันนี้ยังมีโอกาสได้รับเกียรติจากทางคริสตจักรให้เป็นผู้ที่แบ่งปันนั้นอยากจะบอกว่าถือว่าเป็นเกียรติและก็ถือว่าพระโอษณะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สอนตัวดีฉันด้วยและก็จะมีโอกาสได้ตักเตือนหรือแม้แต่ให้ข้อคิดที่ดีให้กับพี่น้องของเราในบ่ายวันนี้นะคะนั้นเองก็อยากขอบคุณพระเจ้าก่อนละค่ะว่า อันนี้จริงพอรู้ตัวว่าสัปดาห์นี้ต้องเทศนาหรือต้องแบ่งปันแล้วก็วันเสาร์ก็ต้องร้องเพลงวพอวยพรคู่บ่าวสาวนะคะเมื่อวานนี้เองก็ค่อนข้างจะเซฟตัวเองหมายความว่าก็จะพยายามว่าจะต้องไม่เป็นหวัดนะคะแต่ด้วยตั้งแต่วันจันทร์นะคะได้บอกอาจารย์พง์ว่าโปรดไอ้ฐานเผื่อด้วยเพราะว่า ก็เริ่มมีอาการเข้ามานะคะแล้วก็ก็รีบอัดยาเข้าไปเลยค่ะเมื่อกี้มีพี่น้องที่ป่วยอยู่ก็มาทักทายกันด้วยนะคะน้องป๊อปอยู่นี่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหนี่เรากําลังอินเทรนนะคะเรากำลั ง, ะะ เ, ลงเป็นหวัดนี่รู้สึกว่าในช่วงนี้นี่น่าจะเป็นโรคฮิตอยู่นะคะดงนั้นก็อยากขอบคุณพระเจ้าว่าในขณะที่เรามีความอ่อนแอหมายความว่าร่างกายเราไม่ได้สมบูรณ์แบบหมายความว่า วัดเนี่ยนะมันกินยาไปด้วยมึนๆไปด้วยอึงๆไปด้วยเนี่ยนะคะของทุกๆวันเนี่ยเราก็ยังต้องดำเนินชีวิตต่อไปด้วยการพึ่งพระคุณของพระเจ้าแล้วฉันก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าจริงเมื่อวานนี้มิชชั่นคอมพลีตน ะ, ะก็คือสามารถร้องเพลงอวยพรให้บ่าวสาวโดยไม่ไม่ล้มนะคะก็คือไม่ไอไม่เสียงแหบไม่ทำให้พิธี นั้นดูอไม่สมบูรณ์แบบนะคะดิฉันก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆว่าบางคนก็มากล่าวชมเชยบอกว่าร้องเพลงเพราะจังเลยดิฉันก็บอกโอ้ขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยว่าเรามีเสียงร้องได้ในขณะที่เป็นหวัดนี่ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วแล้วเมื่อคืนเองก็ยังบอกกับสามีเลยบอกพยายามนะคะพยายามแล้วคือพักผ่อนแต่มันไอยเยอะมากเลยะคะ่ะไอจนแบบอ๋อบอกว่า เอานะพงษ์เจ้าข้าช่วยข้าปรุงด้วยเพราะว่าวันนี้ก็ต้องเมชชั่นคอม p l e t อีกก็คือนะคะให้แันกิจของพระเจ้าเสร็จเรียบร้อยนั่นก็อยากจะฝากอยู่ในคําอธิฐานของพี่น้องในขณะที่ฟังดิฉันไปนะคะมาช่วยอธิฐานเผื่อด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราอยู่ด้วยพระคุณของพระเจ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยความสามารถที่เราไว้วางใจได้เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างที่ไม่คาดคิดนะคะ แต่ในข้อขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ยังมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ถือไม้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเสียงดิฉันเซ็กซี่เป็นพิเศษในวันนี้นะคะและ้วก็ก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้หัวข้อยังอยู่ในเดือนแห่งความรักที่เราพูดถึงเป็นความรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วดิฉันก็ได้มีโอกาสได้แบ่งปันล่วงหน้าไปแล้วกับคณะอนุชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉะนั้นใครที่เป็นอนุชนก็ถือว่า ได้ฟังซ้ำพระเจ้าอนุญาตให้ฟังเพื่อที่จะให้พระคำนั้นสำเร็จในชีวิตของเรานะคบในเอเฟซัสบทที่หข้อหนึ่งถึงสองเหตุฉะนั้นท่านหลายจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกันกับพระคริสต์ที่ทรงรักเราและประทานปรองเองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวาย และเครื่องบูชาที่ส่งโปรดปราณแด่พระเจ้านะคะเห็นคิดว่าเมื่อเราพูดถึงความรักเป็นคำที่สวยหรูและก็ทุกๆคนชอบแต่เมื่อเราพูดถึงการปฏิบัติดูจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากถ้าเราจะรักคนที่น่ารักไม่ได้ยากเลยแต่การที่เราจะรัก ในขณะที่เราไม่มีความพร้อมและในขณะที่เราก็ต้องการความรักด้วยเพื่อที่จะสามารถรักคนอื่นได้นั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยแต่พระเจ้าก็ทรงโปรดให้คนอย่างเราซึ่งเป็นคนบาปที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้ค่ะสามารถที่จะรักคนอื่นได้เหมือนหรือเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์นะคะในงานวิจัยของโรเบิร์ตเวดิเกอร์ซึ่งเป็นแพทย์ประจา แพทยศาสตร์ของฮาวาดได้ทำการวิจัยงานวิจัยของเขา75บปีเลยนะคะเป็นงานวิจัยในหัวข้ออะไรคือความสุขของมนุษย์ฟังหัวข้อนี้เราดูมันเรียบง่ายมากเลยนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นงานวิจัยที่ยากที่สุดตั้งแต่เขาเคยทำมาอะไรคือความสุขของมนุษย์หลายๆคนบอกอ๊ยตอบง่าย ถ้าให้คุณตอบในเวลานี้ถ้านให้คุณหันไปตอบคนข้างๆหน่อยสิคะอะไรความสุขของคุณคะเอาสักอย่างหนึ่งอะไรคือความสุขของคุณกินก็ได้เที่ยวก็ได้นะคะเล่นก็ได้มีไหมคะหันไปบอกคนข้างๆนิดนึงคะ่ะหรือคนที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังเราก็ได้ถ้าเขาไม่อยู่ด้านข้างอะไรคือความสุขของเราคะ่ะแล้วในบทสรุป75ปีของเวลดิงเกอรนะคะ เขาได้สรุปว่าสัมพันธภาพที่แนบแน่นแข็งแรงส่งผลให้มนุษย์มีความสุขมากขึ้นและทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยสัมพันธภาพที่แนบแน่นและแข็งแรงคือส่วนสำคัญและสัมพันธภาพตรงนี้นั่นคือสัมพันธภาพในครอบครัวสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนฝูงสัมพันธภาพระหว่างคนในสังคมหรือชุมชนในสังคม ถ้าหากเข้มแข็งแนบแน่นจะส่งผลให้เรามีความสุขและทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยในวันนี้เดียนคิดว่าความรักเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สมรรถภาพของเราแนบแน่นและแข็งแรงได้แต่เราพูดถึงความรักก็ต้องเห็นเป็นความรักที่จับต้องได้เราคงไม่พูดถึงความรักที่เป็นนามมาทา เพราะหลายคนบอกว่าความรักที่เป็นนามนธรรมคือความอะไรคะความ Romantic นะ romantic. หรือความรู้สึกซาบซึง้งนะคะความหวานชื่นแต่นีฉันรู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้แต่ในวันนี้เอเฟซัสบทที่5ข้อ1ถึงเรียกร้องเราให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตในความรักอย่างเป็นรูปธรรมเหมือนและเลียนแบบ องพระเยซูคริสต์เจ้าคำว่าเรียนแบบดิฉันอยากจะให้เราลองคิดภาพนิดหนึ่งนะคะทุกวันนี้ถ้าถามว่าคุณแต่งกายเรียนแบบใครติ๊ตกติกต อ, กตกตอกถามตัวเองคุณแต่งกายเรียนแบบใครคุณพ่อคุณแม่หรือพระเอกหนังไทยหนังเกาหลี หรือต่างชาติมีไหมคะบางคนอาจจะมีพ่อแบบแม่แบบที่เราเรียนแบบหรือเวลาที่เราทาทรงผมทรงหนึ่งเนี่ยคุณไปบอกช่างแล้วคุณก็เอาแบบไปให้เขาดูคุณเอาแบบอะไรไปให้ช่างดูคุณอาจจะอยากจะมีทรงผมที่ตัดขึ้นมาแล้วดูดีแน่นอนเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตประจำวันของเราทุกส่วนนะคะแม้แต่ คำพูดกิยุทธท่าทางบุคลิกลักษณะแม้แต่การแต่งกายของเราบางครั้งเราก็เรียนแบบใครคนใดคนหนึ่งอยู่โดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อเราเรียนแบบเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเหตุผลว่าทําไมเราเรียนแบบทราบไหมคะเราเรียนแบบเขาเพราะอะไรเพราะเราชื่นชมในแบบต้นแบบนั้นถูกไหมคะท่านทั้งหลายคงไม่ไปตัดผมทรงที่ คุณไม่ชอบไม่ชื่นชมแน่นอนคุณต้องมั่นใจแล้วว่าคุณว่าประทับใจในต้นแบบของคุณคุณต้องมีความรู้สึกอาจจะถึงขั้นคลั่งใครนะคะวัยรุ่นปัจจุบันนี้คลั่งใครจนถึงท่านดิฉันรู้สึกทึ่งมากเลยที่เราจะไปเห็นตัวกระตูนบางตัวเนี่ยหลุดออกมาให้เห็นเป็นๆ น, นะคะเดินอยู่บนท้องถนนเคยเห็นไหมคะ ถ, ถ้าอยากเห็นต้องไปเดินแถวสยามนะคะหรือว่าไปแถวแถวสยามจะเยอะเลยค่ะันเคยไปห้างครั้งหนึ่งเราตกใจไม่เคยคิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นแทนที่จะไปเห็นที่บนถนนญี่ปุ่นนะคะแต่มาเห็นที่เมืองไทยเขาเรียนแบบตั้งแต่หัวจนลดเท้าชุดของเขาทั้งหมดตัดใหม่หมดนะคะสีผมนะคะย้อมสีเดียวกัน นะะบางคนเนี่ยผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงได้เลยผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายได้เลยเพราะว่าเขาประทับใจหรือคลั่งไคล์เดต้นแบบนั้นมากจนถึงขั้นลงทุนและยอมที่จะเป็นสิ่งเหล่านั้นได้แล้วถ้าฉันดีฉันจะบอกว่าในเอเฟซัสบทที่5ข้อ 1-2 บอกกับเราทั้งหลายว่าให้เราเรียนแบบพระเยซูคริสต์คุณคิดว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เรา ยอมที่จเจริญแบบพระเยซูคริสต์คุณตอบตัวเองได้ไหมคะอาจจะไม่ถึงกับคลั่งไคลในพระเยซูคริสต์แต่ที่แน่ๆเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนและพระองค์ได้ส่งสําแดงความรักของพระองค์ที่กังเขนนั้นทำให้เราซาบซึ้งประทับใจและเราเชื่อแน่ว่าแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ที่เราอยากจะทำตามด้วยในวันนี้ดิฉันอยากให้เราได้ข้อคิดจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตโดยเอาแบบอย่างพระเยซูคริสต์ดาได้สามประการด้วยกันนะคะประการแรกพระองค์ทรงยอมทอมพระชัยของพระองค์ลงยอมด้วยใจทอม เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นก่อนประโยชน์ของพระองค์นั่นหมายความว่าแบบอย่างอันแรกที่เราจะสำแดงความรักกับผู้อื่นได้ก็คือยอมถ่อมตัวลงโดยเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าของตัวเองในเอเฟซัสบทในฟิลิปปีบทที่สองข้อสมถึงข้อ 8! ได้กล่าวไว้ว่า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 แต่ได้กลับทรงสละและรับสภาพธาตุทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กังเขนนั้นขอบคุณพระเจ้าค่ะพระองค์ได้ทรงเรียกร้องและทําให้เราเห็นแบบอย่างพระองค์พูดสูงสุด ลงมาเป็นมนุษย์ต่ำสุดเพื่อเห็นแก่มนุษย์คนบาปอย่างเราเพราะถ้าพระเจ้าผู้สูงสุดไม่ลงมาสําดงในความเป็นมนุษย์ที่เดินไปกับมนุษย์ด้วยกันกินนอนไปกับมนุษย์ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับมนุษย์เราจะไม่สามารถสัมผัสกับความรักที่แท้จริงได้เลยจากพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงสภาพ บริบูรณ์สุขสบายมารับสภาพที่ตับต้อยเพื่อเห็นแก่เราทุกคนดิฉันรู้ดีว่าเรื่องนี้ดูเหมือนพูดง่ายแต่ทำยากมากการที่เราจะถ่อมตัวเองลงเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นดิฉันมีตัวอย่างหนึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะได้พาลูกศิษย์ ไปเดินเล่นที่ชายหาดและอาจารย์ท่านนี้อยากจะสอนลูกศิษย์ของตัวเองท่านก็เริ่มขีดเส้นนะคะบน ท, ที่ชายหาดด้วยเส้นสองเส้นเส้นหนึ่งมีความยาว4ฟุตกับอีกเส้นหนึ่งมีความยาวสองฟุตนะคะแล้วอาจารย์ท่านนี้ก็บอกกับลูกศิษย์ว่าเธอสามารถที่จะทำให้เส้นที่มีความยาวสองฟุต ยาวกว่าเส้น4ฟุตได้หรือเปล่าไหนลองทําให้อาจารย์ดูซิทําเส้นที่2ฟุตให้ยาวกว่า4ฟุตได้หรือเปล่าคุณคิดว่าลูกศิษย์จะทําไงคะลูกศิษย์ก็คิดหนักเลยเอย๊จะทําไงดีแล้วลูกศิษย์คิดสักพักหนึ่งแล้วก็เอามือ ไปลบเส้นที่มีความยาว4ฟุตให้สั้นลงเหลือเพียงฟุตเดียวแล้วเขาทำให้เส้น2ฟุตนั้นดูอะไรคะยาวกว่าเส้น4ฟุตเพราะว่ามันเหลือแค่ฟุตเดียวอาจารย์ท่านนั้นก็บอกกับลูกศิษย์ว่าเธอทำอย่างนี้ใช้ไม่ได้เหยียบหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเอง ดูอยู่สูงขึ้นอาจารย์ก็บอกว่าให้คิดใหม่เราจะทำอย่างไรโดยที่เราไม่ยกตัวเองให้สูงขึ้นหรือเหยียดคนอื่นให้แย่ไปกว่าเราหรือด้อยไปกว่าเราควรทำไงดีคะติ๊ติตตต๊ท่านทั้งหลายถ้าท่านเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านนี้ อาจารย์ให้โจทย์เป็นข้อคิดไว้ทำอย่างไรที่เราไม่จะไม่ไปลบคนอื่นแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองนั้นดูสูงกว่าคนอื่นในที่สุดอาจารย์ก็เฉลยนะคะโดยการที่อาจารย์เขียนใหม่นะคะแล้วก็ไปเขียนเส้นสองฟุตให้ลากเส้นสองฟุตให้ยาวออกไปอีกยาวกว่า4ฟุต การที่เราเพิ่มมูลค่าให้กับคนอื่นเป็นสิ่งที่เราควรจะทำมากกว่าที่เราจะไปลบมูลค่าของคนอื่นหรือเหยียบคนอื่นหรือเหยียดคนอื่นลงไปแน่นอนตัวอย่างนี้ดูเหมือนง่ายเพราะการขีดเส้นง่ายมากเลยไม่ต้องใช้แรงงานอะไรมากมายถ้าผิดก็ลบใหม่แล้วก็เขียนใหม่แต่ในชีวิตจริงของเรา พระเจ้าของพระเจ้าได้เตือนเราทั้งหลายว่าให้เราเห็นแก่ประโยชน์ของอื่นคนอื่นก่อนที่เราจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวองค์พระเยซูคริสต์เตือนเราเสมอเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะรักตัวเองมากกว่ า, ร, ารักคนอื่นมีคนเคยจอห์นซีเวสแม็กซ์เวลนะคะเขาเคยสอนบอกว่าอย่าให้เราเอาคอเ น, นี่ยนะคะ ไปปัดแมลงที่บินอยู่เหนือคนอื่นบางครั้งการแก้ปัญหาของเราหรือการที่ความเป็นมนุษย์เรามักจะมองดูเรื่องบางเรื่องเนี่ยด้วยความค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องรุนแรงแต่ถ้าหากว่าเราใช้ไม้นวมเราใช้ความอ่อนสุภาพเรา ต้องบอกว่าข่มใจของเราไว้เราจะเห็นคุณค่าของคนอื่นมากขึ้นกว่าตัวตนของเราเองในพระวจนะของพระเจ้าจึงได้เตือนสติเราทั้งหลายว่าให้เราที่จะยอมทอมตัวลงเพื่อที่จะเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าประโยชน์ของเราเองโลกสอนเราให้ วินวินเราคุ้นกับคำนี้ไหมคะเราจะไม่ยอมเสียเปรียบคนอื่นถ้าคนอื่นได้เราก็ควรจะได้ด้วยแต่กลับแปลกนะค ะ, จะเจริยธรรมของพระเจ้าพระเยซูคริสต์สอนเราให้ lose win มันเป็นเรื่องที่ยอมให้เราเสียเปรียบเพื่อให้คนอื่นได้ก่อนและสิ่งเหล่านี้พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทําให้เราเห็นแล้วว่าเราไม่ได้เสียเปรียบหรือเราด้อยไปกว่าคนอื่นเพราะในที่สุดในฟิลิ ป, ปีบอกว่าแม้พระเยซูคริสต์ถูกเยียดต่มลงสุดกลายเป็นผู้ที่ต่ำต้อยและในที่สุดพระองค์ต้องถูกตรึงที่กางเขนนั้น แต่ในเพิ่ภนพีได้กล่าวว่าและในที่สุดเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจา้าเดียนเห็นว่า พระเจ้าไม่เคยให้ลูกของพระเจ้านั้นถูกดูถูกดูแคลนในที่สุดพระเจ้าจะยกเราขึ้นเพราะในพระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าถ้าเราเหยียดผู้ใดผู้ใดลงพระองค์ก็จะเหยียดเราลงด้วยฉะนั้นเมื่อไหร่เราทำตัวลงพระองค์จะยกเราขึ้นและในที่สุดคำว่า loose win ของเรานั้นในที่สุดเราก็จะได้รับด้วยเพราะว่าเราเป็นผู้ให้ เป็นผู้ที่ให้ความรักกับผู้อื่นแน่นอนเราก็เป็นผู้ได้รับด้วยประการที่สองในการดำเนินชีวิตในความรักพระเยซูคริสต์อยากจะให้เราเรียนแบบลงในเรื่องของการให้อภัยการให้อภัยก็คือการยกโทษให้กับคนอื่นเน้นขอคำภาษาอังกฤษขึ้นมาบนจอนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ค่ะ มีคนเคยบอกดิฉันว่า love is forgive มันเขียนติดกันก็แปลว่าความรักคือการให้อภัยว่าเวลาเดียวกันมันเท่ากับความรักคือการให้ออกไปความรักที่ไม่มีการให้ออกไปจะไม่มีการให้อภัยแล้วบ่อยครั้งทีเดียวคุณค่าในความเป็นคนนั้น หลายหลายครั้งที่เราเหมือนดูเหมือนถูกเทเน้นว่าสับอันหนึ่งที่วัยรุ่นปัจจุบันนี้ถ้าคุณเห็นในลายหรือเวลาที่อยู่ใน a ฟ e b o o k รู้สึกเจ็บปวดมากเลยถูกเทหมายความว่าอะไรคะอะไรนะคะว่าไงนะคะน้องจูเนียถูกเทคือทิ้งใช่ไหมคะถูกทิ้งนี้งขน่นนะ ปะโทมเองนะคะยังรู้เลยว่าถูกเทคือทิ้งอันนี้เขาวัยรุ่นตัวจริงนั่งอยู่ตรงนี้นะคะหรือเราไปเทคนอื่นก็คือเราทิ้งคนอื่นแล้วเวลาที่วัยรุ่นพูดคำนี้นะคะไม่ใช่เขาไม่เจ็บนะคะเขาเจ็บแต่ไม่รู้ว่าเขาจำหรือเปล่านะคะแต่เขารู้สึกเลยว่าคาคานี้เลยถึงไม่แปลกใจที่จะอยู่ในสติกเกอร์ไลน์ด้วยถูกเท เราไม่เห็นมีใครยิ้มเลยนะคะมีแต่คนที่รู้สึกเศร้าและเจ็บปวดเพราะว่าถูกเทเมื่อเราทิ้งใครเราเมินคนอื่นเราไมใ่ให้อภัยคนอื่นเราเมินมางอะไรนะคะเมืนมังเมินคนอื่นไหขอบคุณคุณลูกชายนั่งวันนี้นะคะเรากําลังมองคนอื่น อย่างไรคุณค่าพระเยซูคริสต์เองพระองค์สอนเราในตอนหนึ่งในคําอธิษฐานจําได้ไหมคะว่าให้เราทั้งหลายขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพ along เหมือนที่ข้าพ along ยกโทษผู้ที่กระทําผิดต่อข้าพ a l o n นั้นและแม้แต่ในแ ม, มทธิวก็ยังบอกว่าถ้าาทั้งหลายมีความคดี ต, ต่อกันอย่าเพิ่งมาให้ถวายเครื่องบูชาพระองค์กลับไปจัดการคืนดีต่อกันก่อน แล้วค่อยมาถวายเครื่องบูชาไม่งั้นพระองค์ไม่รับเครื่องบูชานั้นพระองค์ให้ความสําคัญต่อความรักที่เป็นการยกโทษหรือการอาภัยโทษบาปไว้เป็นเรื่องสําคัญมากและพระเยซูคริสต์เองก็ทรงกระทําให้เราเห็นชัดเจนที่กังเขนนั้นที่พระองค์ได้บอกกับพระบิดาเจ้าก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ว่าขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยให้กับคนเหล่านั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไร บ่อยครั้งที่เดียวเราลืมไปว่าเราเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการอภัยโทษจากพระเยซูคริสต์จากพระเจ้าของเราและพระองค์ไม่ถือโทษเราแต่ทําไมเรายังถือโทษคนอื่นอยู่ในเมื่อเราไม่มีสิทธิ์เราอาจจะรู้สึกเรามีสิทธิ์เพราะเราถือความยุติธรรมไว้แต่ในคําว่าการให้อภัยมันกลับเป็นคําตรงข้ามกับคําว่ายุติธรรม พระเจ้าไม่ได้ให้เราเอาความผิดคนอื่นเพราะว่าคนอื่นสมควรจะได้ความผิดนั้นเดียว ร, รับโทษสิ่งนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เราจงอภัยกับผู้อื่นเหมือนกับที่เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ครั้งหนึ่งมีเพื่อนสองคนเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เขารักกันมากแล้วก็ร่วมเดินทาง ไปในทะเลทรายระหว่างทางก็เกิดมีปากเสียงกันรุนแรงและเพื่อนคนหนึ่งรังงับอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยตบปากเพื่อนอีกข้างหนึ่งอย่างรุนแรง mm hmm. เพื่อนที่ถูกทำร้ายก็รู้สึกเจ็บปวดแลวไม่เอ่ยวาจา ก, mm hmm. ก็กลับไปเขียนข้อความลงบนพื้นทรายและเขาเขียนว่าวันนี้ ฉันถูกเพื่อนรักตบหน้าแล้วเขาก็เดินทางต่อไปด้วยกันจนกระทั่งมาถึงแหล่งน้ำแห่งหนึ่งพวกเขาก็ลงไปอาบน้ำปรากฏว่าน้ามันเชี่ยวนะคะเพื่อนคนที่ถูกตบหน้านั้นก็ถูกพลัดตกไปในแหล่งน้ำแล้วกำลังจะจมน้ำ เพื่อนอีกคนไม่รอช้ารีบลงไปช่วยทันทีแล้วก็ช่วยเพื่อนรักของตัวเองให้รอดตายจากการจมน้านั้นเพื่อนที่รอดตายไม่เอ่ยคำใดเลยเขาขึ้นมาจากน้ำเสร็จเขาก็หาหินนะคะไปสลักข้อความลงบนก้อนหินใหญ่ด้วยถ้อยคำว่าวันนี้ เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันไว้เพื่อนที่ช่วยชีวิตก็ไม่เข้าใจก็ถามว่าเมื่อเธอถูกฉันตบหน้าเธอไปเขียนเรื่องราวแห่งความเจ็บปวดนั้นลงผืนสายแล้วเรื่องที่ฉันได้ช่วยชีวิตเธอจากน้ำทำไมเธอตรงถึงได้สลักบนก้อนหินก้อนใหญ่นั้น เพื่อนคนนั้นก็ยิ้มและกล่าวว่าเมื่อถูกคนรักที่เรารักนั้นทำร้ายเราควรเขียนมันไว้บนผืนทรายเพื่อว่าเมื่อสายลมแห่งการให้อภัยจะทำหน้าที่พัดและลบล้างสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เหลืออีกต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสิ่งดีเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์เขาอยากจะสลักไว้ ที่ก้อนหินนั้นเพื่อให้มันยังจารึกไว้นานตราบนานเท่านานก้อนหินนั้นจะจดจําไว้ในหัวใจบ่อยครั้งทีเดียวเมื่อคนอื่นกระทาผิดต่อเราเรามักจะสลักไว้ที่ไหนคะไม่ใช่ที่ก้อนหินนะบางทีมันสลักไว้ที่ใจมันเจ็บและทุกครั้ง มันก็บาดใจทุกครั้งมันก็รู้สึกแปบแล้วก็ทนไม่ได้จนบ่อยครั้งเราก็ตอกย้ามันจนกลายเป็นบางคนนะคะดิฉันต้องบอกเลยไม่ใช่แค่มไม่ให้อภัยนะคะห้อยได้กลายเป็นความขีดแขนกลายเป็นความอาฆาตจนมันส่งผลใหญ่โตไปมากกว่าเดิมพระเจ้าสอนเราเพราะพระองค์ทรงทราบดีว่ามนุษ เป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างให้มีใจเนื้อไม่ใช่ใจหินฉะนั้นอย่าเอาความผิดของคนอื่นมาสลักไว้ที่ใจแต่ถ้าเมื่อสลักไว้ที่ใจแล้วขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราสามารถที่จะได้รับการเยียวยาจากพระเจ้าโดยขอจากพระเจ้าให้พระองค์เยียวยาหัวใจเรา เมื่อพระองค์เยียวยาหัวใจเราแล้วจากความเจ็บปวดนั้นเมื่อนั้นเราจะมีกำลังขึ้นที่จะอภัยให้กับคนอื่นได้เรียนคิดว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าพระองค์บอกกับเราเสมอว่าให้เรามองดูทุกครั้งเมื่อที่เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์แล้วให้เราอภัยโทษให้กับคนอื่นด้วยเรียนขอบคุณพระเจ้านะคะว่า บ่อยครั้งที่เดียวโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่มันเป็นโรคเรื้อรังเนี้ยส่วนหนึ่งก็จะมาจากอารมณ์ความรู้สึกมาจากความเครียดแขนแล้วก็มาจากการไม่ให้อภัยที่หลายๆคนไม่สามารถที่จะหายโรคได้ เพราะว่าสมรรถภาพนั้นได้ล้มลงได้ไม่แข็งแรงเพราะความสัมพันธ์ของเราเราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับคนในครอบครัวของเราได้เหมือนเดิมที่เราไม่สามารถที่จะกลับไปคืนดีกับพ่อแม่ได้เหมือนเดิมที่เราไม่สามารถหันไปสนุกสนานยิ้มหัวกับพี่หรือน้องของเราได้เหมือนเดิมและสิ่งเหล่านั้นคือความเจ็บปวด ที่หลายลายคนเข้าใจว่าตัวเองอยู่ตามลำพังได้ขอพระเจ้าได้คืนสิ่งเหล่านั้นให้กับเราโดยการที่เราจะเอาแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่กังเขนนั้นด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันประการที่สให้เราดาเนินชีวิตในความรักโดยการเรียนแบบพระคริสต์ด้วยการให้โดยให้ความรักโดยไม่มีเงื่อนไข ท่านจงเมตตาต่อกันและมีใจเอ็นดูต่อกันอันนี้ปรากฏอยู่ในเอเฟซัสอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากให้กับชาวเอเฟซัสบ่อยครั้งที่เรามองดูหนังสือฝากของอหรือหนังสือพระคัมภีร์ไหนพระคัมภีร์ใหม่นะคะหนังสือเล่มไหนคะที่จะพูดถึงเรื่องความรักมากที่สุดคะ โคลินจริงเหรอคะเอาอีกที่ค่ะหนังสือเล่มไหนที่พูดเรื่องความรักมากที่สุดโคลินน่าจะเป็นหนึ่งโคลินตัที่สิบสานะนะความรักเยอะยอนไงคะหนังสือยอนหรือหนึ่งยอนสองยอนสยอนนะคะเป็นหนังสือที่พูดเรื่องความรักมากที่สุดแต่ถ้าเรามาคิดถึงว่าเอฟเฟซัสก็ไม่ได้ย่อยเลยนะคะเพราะว่า เปาโลเนี่ยเริ่มต้นเขียนถึงชาวเอเฟซัสและคนในคริสตจักรเอเชียนเนี่ยพระองค์เปาโลไดกพูดถึงความรักก่อนและสุดท้ายก็ลงด้วยความรักเพราะว่าในเอเฟซัสเนี่ยมีการกล่าวถึงอากาเป้หรือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยนะคะเป็นภาษากรีกเนี่ยมีถึงสิบเก้าครั้งเลยนะคะที่เป็นคำกริยาคือ อากาเปยอากาปะโยและอากาเป้ที่เป็นคำนามถึงสิบเก้าครั้งไม่ได้ยินหย่อนไปกว่านังสือย่อนเลยอาจารย์เปาโลให้ความสำคัญและก็เตือนสติคนเอฟเฟซัสว่าเขาจะต้องสัมเดงความรักของพระเจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขเรามาอ่านในแมทธิวบทที่หนะคะจะขอเพั่มพีตอนหนึ่งบทที่หข้อส3บสาถึง สีเจ็ดนะคะในแมทธิวค่ะแล้วอ่านพร้อมกันดีไหมคะแก้งง่วงได้ยิสองสาท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ขมเหงพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะว่าถ้าพวกท่านรักคนที่รักท่านพวกท่านจะได้บาเหน็จอะไรพวกคนเก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าพวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้นท่านได้ทาอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆพวกต่างชาติก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมพ่อพี่ตอนนี้เตือนสติแล้วก็เรียกรับให้เรารู้ว่าเวลาที่พระเจ้าให้ความรักกับมนุษย์โปรงให้ทุกคนเท่ากันไม่ได้ให้คริสเตียนมากกว่า คนที่ไม่นับถือพระองค์พระองค์ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นตกให้กับคนชั่วและคนชอบธรรมเหมือนกันพระองค์ให้ฝนตกให้กับคนดีและคนชั่วเหมือนกันลองคิดดูนะคะถ้าเราทำดีกับคนที่ดีอยู่แล้วและน่ารักมันจะมีประโยชน์อะไรฉะนั้นพระองค์เรียกร้องเราให้เราทำดีกับศัตรูให้ทำดีกับคนที่ไม่น่ารัก ฉะนั้นการดาเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเดนถามว่าคุณเคยสำแดงความรักกับคนที่คุณไม่รู้จักไหมคะหรือสำแดงความรักกับคนที่ดูเหมือนไม่น่ารักเลยคุณริเริ่มที่จะสำแดงความรักนั้นด้วยวิธีใดยยบ้างมีนายทหารชาวเบริกนคนหนึ่ง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาเดินทางกลับบ้านในขณะที่เขากําลังเดินทางกลับบ้านนั้นเขาก็อาจจะว่ารถกําลังติดแล้วก็รถของเขาก็ค่อยค่อยขับเขาก็มองไปชำเลืองไปเห็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งกําลังชง้อแล้วก็เหงีงตัวเองและเอาหน้าเนี่ยแนบกับกระจกนะคะ ของร้านที่กำลังขายโดนัทอยู่แล้วในร้านนั้นเขากำลังผลิตโดนัทแล้วก็ทำโดนัทให้เห็นนะคะที่ตู้กระจกนั้นแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นก็มองดูด้วยความที่อยากจะกินโดนัทมากจนทำให้ในายทหารคนนี้ในที่สุดเขาจอดรถข้างทางแล้วเขาก็เดินเข้าไปซื้อโดนัท ส2บสองชิ้นใส่ถุงแล้วก็ยื่นให้กับเด็กผู้ชายคนนี้แล้วก็บอกว่านู้เอาดนัทไปกินแล้วก็ไม่พูดอะไรในขณะที่เขากำลังเลี้ยวหลังเดินกลับไปเขาต้องหยุดชะ ง, งักเพราะว่ามีมือที่กระตุกเสื้อโค้ทของเขาอย่างแรงแล้วเขาก็เหลียวหันกลับมาก็เป็นเด็กผู้ชายคนนั้น ที่เขาซื้อโดนัทให้แล้วเด็กผู้ชายคนนั้นก็พูดว่าพูดเสียงเบาๆะะ่คุณคือพระเจ้าเลยครับแล้วก็มองหน้าเขาคุณคือพระเจ้าเลยครับเขาไม่พูดอะไรแล้วเขาก็ยิ้มให้เด็กผู้ชายคนนั้นแล้วเขาก็เดินจากไปจากเรื่องในวันนั้น เขารู้สึกเลยว่าสิ่งเล็กๆที่เขาทําดีกับคนที่เขาไม่รู้จักกลับกลายเป็นสิ่งใหญ่ในสายตาของเด็กเล็กๆคนนั้นความรักที่เราแสดงออกกับคนที่เราอาจจะไม่คาดคิดเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องการ ตอบแทนไม่ต้องการก ร, รมคำขอบคุณเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่ายุคนี้เราต้องเริ่มที่จะกระทำและสั่งสมจิตสำนึกแห่งความดีงามนั้นให้มีทีละเล็กละน้อยและมากขึ้นเรื่อยๆดิฉันไม่คิดว่าเราจะทำได้อัต โ, ตโนมัติและทำได้ทุกครั้ง ตัวดิฉันเองก็เคยฝึกทำสิ่งนี้กับคนที่ดิฉันไม่รู้จักแล้วดิฉันรู้สึกเป็นสิ่งดีมากเพราะว่าทำให้ดิฉันเริ่มที่จะให้โดยที่ไม่มีเงินค่ครั้งหนึ่งดิฉันเคยนั่งทานกว๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็มีคนดิฉันจำได้เลยค่ะผู้หญิงคนหนึ่งมาขอทานขึ้นมาขอเงินดื้อๆเลยค่ะบอกว่า เขาอยากได้เงินเดินทางกลับบ้านแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวดิฉันก็บอกว่ามาเลยค่ะนั่งลงเลยค่ะทานด้วยกันดิฉันก็ให้เขาสั่งกว๋วยเตี๋ยวเลยดิฉันก็ทานกับเขาตรงนั้นเลยค่ะเมื่อทานเสร็จดิฉันก็ถามเพราะว่าจะเดินทางกลับไปจังหวัดอะไรต้องใช้เงินเท่าไหร่ตอนนั้นดิฉนจำไม่ได้ว่าเป็นจังหวัดอะไรแต่ดิฉันนะี่ย ก็คว้าไปดูกระเป๋าตัวเองตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มทํางานไม่นานนั้นกไ็ไม่ได้มีเงินเก็บมากมายหรือว่าติดตัวอยู่ตลอดเวลาดิฉันก็คว้าเงินจํานวนหนึ่งแล้วดิฉันก็บอกว่า อ, อ, อาจจะไม่ได้เต็มจํานวนเต็มที่เขาจะพอจะเดินทางกลับบ้านได้ดิฉันเหลือแค่เศษสตังพอจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านได้ดิฉ น, นรู้สึกว่าออพอละเดี๋ยวเราก็ถึงบ้านละแล้วเราก็ให้เงินเขาไป นั่นเจอแบบนี้บ่อยนะคะบางคนเดินเข้ามามาขอดิฉันก็ให้แล้วก็นันก็ไม่ได้ถามชื่อไม่ได้ถามแม้แต่บางครั้งก็คงต้องดูว่าเขาเดินทางขึ้นรถไปจริงๆหรือเปล่าเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพถ้าถามว่าสิ่งเ ล, เล็กๆที่เราทำเรียนสัตวัปฏิชนันเราถือว่า ไม่ได้ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีใครเห็นไม่ต้องมีเรียล t ิตี้มาถ่ายทำเพื่อให้เรารู้สึกว่าโอ้เราทำดีไม่ต้องมีกล้องมาจาับไม่ต้องมีใครมาชื่นชมเราแต่เรารู้ดีว่าเมื่อเราทำสำแดงความรักโดยไม่มีเงื่อนไขบ่อยๆเข้ามันจะง่ายขึ้นและไม่ต้องคิดมากคนปัจจุบันนี้พอจะทำดีนะคะยังต้องเหลียวดูเลยคนอื่นเขาทาด้วยหรือเปล่า คุณเคยรู้สึกไหมในการทำดีในยุคปัจจุบันนี้มันยากหรือง่ายเพราะเรามองดูว่าคนอื่นทำหรือเปล่าแต่ลูกของพระเจ้าเราไม่ต้องเหลียวมองคนอื่นเลยค่ะพระเจ้าบอกกับเราให้เราทำโดยการสำแดงความรักนั้นโดยไม่มีเงื่อนไขอากาเป้ความรักที่พระเยซูคริสต์พระเจ้าสำแดงให้กับเรา โดยไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้เราจะสามารถสั่งสมสะสมหรือแม้แต่ปลูกฝังสิ่งเล็กๆเหล่านี้แต่มันยิ่งใหญ่ในหัวใจของเราให้มากขึ้นมันเชื่อแน่ว่าเหมือนในพระว จ, จนะของพระเจ้าและในที่สุด ในแมทธิวที่ไม่เราอ่านอะค่ะเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นคนดีรอบคอบแล้วคนทั้งหลายจะรู้ได้ว่าเราเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงดีเลิศการดำเนินชีวิตในความรักที่เราดำเนินไม่ว่าจะเป็นการยอมทอมโดยเห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเอง หรือการยอมให้อภัยคนอื่นหรือแม้แต่การรักโดยไม่มีเงื่อนไขในที่สุดนะคะเราถวายเกียรติพระเจ้าคนทั้งหลายจะเห็นพระบิดาเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์ในชีวิตของเราให้เราร่วมใจกัรเอฐานนะคะอยากจะให้เราใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งนะคะพิจารณาถึงท้อยแข่ง ค่อยคาแห่งพระวจนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้ถ้าพระเจ้าจะเรียกร้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการที่เราจะยอมเปลี่ยนแปลงในการสำแดงความรักในการที่เราจะยอมสูญเสียแทนที่จะเป็นผู้ชนะเพื่อเห็นแก่ผู้อื่น ยอมให้อภัยกับผู้ที่กระทําผิดต่อเราหรือศัตรูของเราหรือกับคนที่ไม่น่ารักหรือแม้แตา่การสำแดงความรักโดยไม่มีเงื่อนไขฉันเชื่อแน่ว่าพระเจ้าผู้เป็นความรักพคงจะประทานกำลัง และการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้กับเราพระองค์จะประทานความรักที่ไม่มีเงินไขให้กับเรามากยิ่งขึ้นจนเราจะสามารถกระทำเหมือนกับพระองค์เรียนแบบได้เหมือนกับพระองค์ามีความสุขยิ่งขึ้นเพราะความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นนั้นดีแข็งแรงและเราก็จะมีความสุขขึ้นขอพระเจ้าตรัสกับเรา ให้เรายอมต่อเสียงของพระวิญญาณในเวลานี้เอ่ยชื่อเพื่อนของเราเอ่ยชื่อคนในครอบครัวของเราที่เราอยากจะสัมเดงความรักนั้นกับเขาข้าแต่พระเจ้าข้าหลายเป็นคนบาปเรามีความจำกัดในการสัมเดงความรักข้าหลายรักตนเองมากกว่าราคนอื่น ขอพระเจ้าได้ทรงอภัยให้แก่ท้องลายขอพระองค์ได้ทรงโปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในของท่องลายท้องลายอยากจะเปลี่นกับพระองค์มากขึ้นและอยากจะเรียนแบบพระองค์แต่ข้าพระองค์รู้ดียังมีสิ่งที่ทวงรั้งขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยให้แก่ข้าพ ร, ระองขอพระองค์ได้ทรงโปรดชำระเรา และขอทรงเปลี่ยนเพิ่มเติมสิ่งที่เราขาดอยู่ที่ใดมีความอ่อนแอรพระองค์สัญญาว่าที่นั่นจะเต็มไปด้วยฤทธิดเดชแห่งความรักของพระองค์อย่างแน่นอนข้ามองขอฝากมอบพี่น้องเราทุกๆคนที่จะตอบสนองต่อการทรงนำของพระองค์เพื่อชีวิตของเขาจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระเจ้าเวทผ่อนค่ะ